จุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตาไม่ใช่การตั้งใจจะแผ่เมตตาแต่ตั้งต้นด้วยความสุขที่มีอยู่จริงอยากเลิกยึดติดต้องทำอย่างไรอารมณ์หลงปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างไม่ได้จะเป็นความพิศวา์ก็ตามความพยาบาทก็ตามความติดหลงบางอย่างก็ตามรู้ทั้งรู้แต่ไม่สามารถปล่อยออกไปได้ แล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอก็เลยมีคำถามว่าจะแผ่เมตตาให้จิตใจของตัวเองเข้มแข็งขึ้นได้ไหมแท้ที่จริงแล้วจุดเริ่มต้นของการแผ่เมตตาไม่ใช่ตั้งใจจะแผ่เมตตาไม่ใช่ตั้งต้นด้วยการกล่าวว่าสัพเพสัตตาจะ ต, ต้องตั้งต้นด้วยความสุขที่มีอยู่จริงจะเป็นสุข อันเกิดจากความดีงามที่เราได้ทําบุญมาเรารู้สึกว่าผ่องใสหรือว่าเป็นความสุขอันเกิดจากการที่จิตมีความนิ่งหัวใจมีความโล่งว่างตัวมีความเบาสบายล้วเอาความสุขนั้นตั้งเป็นสมาธิแล้วแผ่ออกไปตามทิศต่างๆหากว่าเรามีสมาธิแล้วเรารู้สึกถึงความเป็นกายที่ตั้งตรงอยู่ในท่านั่งแบบนี้ เรารู้สึกถึงพื้นที่ว่างรอบตัวได้จะเป็นพื้นที่ด้านหน้าหรือด้านข้างหรือถ้าจิตเต็มจะรู้สึก360องศาเลยเพราะสมองส่วนที่ควบคุมทิศทางถูกลดล็อกถ้าถูกลดล็อกออกแบบสมบูรณ์ก็จะรู้สึกว่าไม่มีทิศเบื้องหน้าหรือด้านข้างอะไรมีแต่ความว่างไม่จำกัด360องศาซึ่งถ้ามีกาลังถึงขนาดนั้น ไม่ต้องแผ่เมตตาอย่างได้คือแค่ให้ความสุขแผ่ออกไปจิตจะเข้มแข็งอยู่โดยตัวเองอยู่แล้วไม่อย่างนั้นจะตั้งในลักษณะแผ่แบบนั้นไม่ได้นี่คือการแผ่เมตตาแต่ถ้าเราแค่ตั้งใจว่าจงมีความสุขหรือว่าพยายามเอาความสุขเล็กๆน้อยๆมาแผ่ให้ตัวเองอันนั้นไม่ใช่ เราเราจะแกล้งมีความสุขเป็นส่วนใหญ่เราจะแกล้งนิ่งแกล้งเข้มแข็งแบบชั่ววูถ้าจะให้มีความเข้มแข็งได้จริงก่อนอื่นเลยคือต้องมีความเข้าใจมีปัญญาตรงที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาวัดได้ตอนที่คุณรู้สึกจริงๆว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของของคุณเวลาที่จะปลดล็อกจากอะไรก็แล้วแต่ มองเข้ามาที่อาการทางใจว่ามีความเหนียวแน่นอยู่กับสิ่งนั้นแค่ไหนและดูความไม่เที่ยงของอาการเหนียวแน่นนั้นมันดูสายโซ่ว่าวันหนึ่งเหนียวแน่นมากอีกวันเบาบางลงอีกแป๊บหนึ่งกลับหนากลับเหนียวแน่นขึ้นมาใหม่เห็นได้เรื่อยๆในที่สุดอาการทางใจจะปลดล็อกเองเมื่อจิตมีความฉลาดถึงจุดที่ยอมรับได้จริงๆว่าที่ยึด ต, ติดอยู่ จริงๆไม่มีตัวตนเป็นแค่ภาวะทางใจที่ยังไม่ฉลาด